สิกขาบทที่8ภิกษุณีให้สมณะจีวรแก่ชาวบ้านแก่ปริภาชกหรือแก่ปริภาชิกาต้องอาบัตสองอย่างคือ 1. กํากำลังให้ต้องอาบัาตออบทุกกฏเพราะพยายาม 2. เมื่อให้แล้วต้องอาบัตปาจิตตี